คนเรามันหมดสภาพได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งมันต้องหมดสภาพด้วยกันแน่นอนทุกคนอย่างที่หลวงพ่อพูดเชิงเล่นๆหรือเชิงตลกแต่มันเป็นความจริงพวกเราทุกวันนี้รอวีซ่าวีซ่าตกมาเมื่อไหร่เขามานั่นได้ไปเดินทางต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันมรณะภัยมาถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะได้ ออกเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเพราะงั้นแหะออกจากชาติมนุษย์ไปเป็นชาติอะไรต่อไปภายภาคหน้าสุดแท้แต่ใครจะมีบุญวัดสนาบารมีสุดแท้ใครจะมีบุญเพราะนั้นก่อนที่จะถึงวีซ่ามาถึงเนี่ยพวกเราควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมเอาไว้อย่าประมาททั้งที่ว่าคนประมาทมีจะกินเหล้าเมายาสุรานารี จะมาเลเทเมาสิในติดขั่วสิไหนสนุกสนานขนมาใส่ตัวเองหมดแต่ว่าเป็นผู้ประมาทไม่ได้สอบแสวงหาเงินไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ทั้งที่รู้รู้อยู่ว่าตัวเองจะต้องรอวีซ่าจะต้องข้ามประเทศอยู่จะไปต่างชาติอยู่จะไปต่างประเทศอยู่แต่ว่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ถ้าผู้ไม่ประมาท รู้ตัวเองว่าจะไปต่างประเทศก็เตรียมเงินเตรียมสิ่งเตรียมของเอาไว้เตรียมเงินเอาไว้ใส่กระเป๋าเอาไว้เมื่อถึงคราวแล้วก็มีสามารถถึงแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อไปก็มันมีเงินอยู่แล้วเนี่ยไปก็ได้รับความสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใสใจเอาไว้ ไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเอาไว้ออกจากชาตินี้ไปแล้วไม่รู้จะได้ไปทางไหนก็ไม่รู้ไปด้วยความไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่าเราได้สร้างบุญเอาไว้ไปด้วยความมั่นใจเวลาตายไปก็ไม่สะทกสะท้านถึงระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองของจิตใจก็มั่นคงในระดับหนึ่งถ้าหาว่าผู้มี้บุญตนทีแล้วยัง ท่านหุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันแล้วท่านยังไม่หวั่นไหวเอไปถามพี่หลวงตาหลวงตาบอกว่าเฮ้ยเราคิดมาพอแล้วนะเรื่องตายจะทํายังไงได้มันก็ต้องตายนั่นแหละเกิดมาแล้วจะไปที่ไหนได้ต้องตายถึงค่าวแล้วเหรอทํามันร่างกายยังพอเป็นไปได้อยู่เอามาัอาหารข้าวหวานอะไรก็มาอยู่มากินซะ ถ้ามันไปไม่ไหวตายแล้วเหรือตายแล้วก็ไปสิจะไปอยู่ได้อย่างไงเพราะมันหมดแล้วนะอันนี้คือท่านผู้มีธรรมในใจท่านไม่สะทกท่านไม่สะท้านท่านไม่หวั่นไหวตรงกันข้ามกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเห็นคนอื่นตายเนะี่ยจะยังพอทํานองแต่พอมาถึงตัวเองถึงไม่น่าจะมาถึงค่าไม่น่าจะมาถึงเราเร็วขนาดนี้ไม่น่าจะมาถึงเรา เรายัางไม่พร้อมที่จ ะ, จะไปขนาดนั้นจะทำอย่างไรได้วีซ่ามาถึงแล้วมันก็ต้องไปนี่แหละยายนึ่ก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่ถึงอย่างไรคุณโยมยายคนนี้ท่านก็บนปลายชีวิตของท่านก็อเลยบวชเปนชีนะ่ะสองปีกว่าแล้วบำเพ็ญตะก่อนหน้านี้กับพาลูกพาหลานสร้างวัดสร้างว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนา วัดปู่ลังกาเป็นวัดเป็นว่าขึ้นมาก็เพราะตระกูลของเขากลุ่มนี้ที่ร่วมกันสร้างเพราะั้นพราะการสร้างวัดก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวสร้างอย่างบ้านวัดของเราเนี่ยวัดนาคําน้อยของเราเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวสร้างสร้างมาหลายคนอันนั้นก็เหมือนกันคือเขาเป็นตระกูลหลักตระกูลหนึ่งที่สร้างวัดป่า ทำภูยาภูรังการนะถ้าจะว่าไปแล้วก็เขาไม่ได้เสียเที่ยวเสียทีเกิดมาทั้งทีชีวิตก็เป็นผู้สังสมบุญกุศลพอสมควรนี้นพอจากไปเขาคงจะได้ไปดีเพรางั้นคนที่ทำดีก็ต้องได้ดีผลจะตอบแทนก็ต้องดีเพราะนั้นการสร้างสร้างสมบุญกุศล เป็นหน้าที่ของพวกเราเนะี่ยมองตัวเองอยู่เสมอคนเราถ้ามองคนอื่นเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวเลอคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนั้นน่าจะดีอย่างนี้คนนั้นหน่าจ ะ, จะเจริญอย่างนั้นแต่ที่แท้ถ้ามองตัวเองเราจะเป็นยังไงถ้าทุกคนมองตัเองมันขาดตกบกพร่องมันมีกับทุกคนนั่นแหละไม่ใช่จะเต็มบริบูรณ์ มันขาดตกบกพร่องอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนพปนั้นพระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านอยู่เป็นหลายร้อยหลายร้อยหลายพันอยู่รวมกันทําไมมีเรื่องเราเกิดน้อยมากเรีนเสียจะพระเกเลยพระเกเลเกตุงก็มีอยู่แต่โดยมากท่านนี่แต่ดูใจของตนเองไปนั่งพอชั้นจังหันเสร็จ น, นั่งคัตสมาธิ ของใครของเราดูใจของตอนเองบําเพ็ญอยู่ตลอดมันไม่ได้ส่งออกนอกมันก็เลยไม่มีเรื่องถ้าส่งออกนอกเมื่อไรนั่นละ่ะมีเรื่องเมื่อนั้นคือจิตส่งจิตออกนอกคือจิตสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดเพราะงั้นเมื่อส่งออกไปแล้วกบบนั่นละ่ะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนําทุกข์มาหาตัวเองบเพราะนั้น ในหลักของพรทศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหะนักในการสั่งสอนให้มองข้างในให้มองใจของตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งถ้ามันไม่อยู่จริงๆรถ้ามันอยู่ให้เอาสติอยู่จับดูใจใจคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มีสติในการคิดนึกถ้าทำได้อย่างนั้นดีแต่โดยมากมันไม่ทนมันนะโดยมากมันจะคว้าน้าเหลว มันกระโดดไปฟ้าหางก็ยังไม่ทันอีกคว้าคว้าหางของจิตของใจอย่างนั้นแหละมันเร็วถึงขนาดตั้งแต่ไอ้กว่านั้นต้องดักหน้าไม่ให้มันไปให้มันอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเอต้องบังคับอีกต่างหากจริงๆจะอยู่ถ้าปล่อยตามมันก็คว้าหางมันไม่ทันเหมือนกันเอกระโดดรึบเหมือนกันอันนั้นพวกเราทุกคนน่ะ สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทชีวิตของเราทุกคนมันไม่เกี่ยนแท้แน่นอนหรอกไม่รู้จะไปจากไปวันไหนเหมือนน้าค้างใบบัวลมพัดมาเมื่อไหร่คลิ่งตกลงวันนั้นถ้ามันอยู่ในใบบัวก็กึิ้งไปกึิ้งมากึิ้งมากลิ้งไปอยู่นะทุกที่หลงพอพูดอยู่นี่มันตรงพอก็ไม่รู้จะไปวันไหนเหมือนกันต่อชีวิตของคนเรามันรอรอวีซ่าอย่างที่บ่า น, นั่นนะแต่ว่าถึงยังไงก็ ตายแล้วไม่ศูนย์นะให้ฟังเอาไว้ตัวนี้ตายแล้วไม่ศูญให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกูบาอาจารย์เอาไว้ท่านพิสูจน์มาแล้วท่านนั่งภาวนาใครอยากจะพิสูจน์ให้นั่งภาวนาดูจิตสงบเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั่นจะรู้ได้ตายแล้วศูญแล้วตายแล้วเกิดถ้าว่ายังจิตยังไม่สงบอย่าไปอย่าไปเดาอย่าไปขาดคเนียอย่าไปคิดอย่างอื่นต้องพิสูจน์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องที่สุดทั้งนั้นแหละจึงจะรู้ได้เราจะไปนึกเดาเอาไม่ได้บางสิ่งบางอยา่างนึกเดาเอาก็พอจะถูกแต่บางอันบางสิ่งบางอยา่างมันคนละทิศคนละทางไปเลยนะเพราะเราไม่รู้เราจะไปเดาได้ยังไงต้องปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติทํำยังไงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุดโธจนจิตสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งรู้ได้แล้วร่างกายนี่เป็นส่วนอันหนึ่งจิตใจนี่เป็นอันหนึ่งร่างกายนี้แตกสลายตายแน่นอนแต่จิตใจมันไม่แต ก, ม, แตกมันออกไปได้มันมีความรู้สึกโดดเด่นเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าใจไม่ตายร่างกายตายในเมื่อใจไม่ตายแล้วจะทำยังไงไปปฏิชนที่ไปหาเกิดอีกพบภูมิหน้า ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้นั่นใจดรงนั้นจะทุกข์ระบาดเพราะไม่มีสมบัติติดตัวจิตติดใจไปเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าจึงให้สั่งสมบุญเมื่อสั่งสมบุญบุญก็จะเข้าหลายเข้าสู่ใจใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของความดีความชั่วความชั่วก็ไหลเข้าสู่ใจความดีก็หลบทไหลเข้าสู่ใจแต่ถ้าหาว่าใจ ของเราดีความดีจะไหลเข้าสู่ใจตลอดสกัดความชั่วออกไปมันพอใจมันไม่ใช่ไม่ไม่ทําได้สองอย่างทีเดียวมันได้ทําได้ทีเดียวทีเดียวทีละอย่างนั่นเองทาคุณงามความดีมันก็เป็นคุณงามความดีเป็นเสียแตคิดคัดออกไปทําความชั่วมันก็ตัวเดียวเราไปทําความชั่วแต่จะว่าทําขณะเดียวเราไม่ได้เอมันแต่ว่า ต่างคต่างเวลาอืออไดเวลาถีเวลาห่างเอืออ น, นั้นได้แต่ว่าทำขณะเดียวกันคุณนำความดีกับความชัว่วจะพูดอย่างนั้นยากอยู่เพราะใจเป็นผู้รับเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันรู้ว่างั้นอันนั้นพวกเราสั่งสมไว้นะอย่าประมาทนะผู้ดใดตายเกิดมาก่อนก็ตายไปก่อนเกิดมาทีหลังก็ตายไปทีหลังบางทีเกิดมาทีหลังตายก่อนก็มี แท้แต่ใครได้รับวีซ่าเร็วมากง่ายกว่ากันอันนั้นอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจถึงเขาไปก่อนเออไปก่อนผู้ค้าได้สั่งสมบุญมาเพียงแค่นี้ชาตินี้พอละเอาไปละเห็นไหมปู่ย่าตายายของเราใครจะอยู่คำฟ้าไปหมดแล้วอะไรมาเรื่อย ไล่มาเลยเลยล่นมาเลยเลยฮะอย่างลุงพ่อเห็นไหมแต่ปูย่ย่าเขาไปแล้วตายายเขาไปแล้วพ่อแม่เขาไปแล้วพี่ชายเขาไปหลายคนไล่ลงมางั้นพอมาถึงพวกเราไอ้พี่น้องมันในงานศพพี่ชายบอกเอ้ยใครเป็นคนคิวต่อไปวะหลวงพ่อวะไม่อยากจะรับคิวหรอกใครจะเป็นคนคิวต่อไปวะ มันต้องแน่นอนอย่างนั้นอ่ะมันต้องมีคิวองั้นเลยใครเป็นคนคิวต่อไปเพราะนั้นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถึงตัวเองอยู่กลัวได้บ้างกลัวตายเด้อเอ๋มันมีอะไรที่จะกลัวจะเกณฑ์นักเกรงขนาดไหนก็ถเถอะแ้กูไม่ตายหรอกถึงขาวตายมานตายทั้งนั้นเพราะว่าเขาจะไปยิงเป้าเดินขาอ่อนเหมือนกันเดินไม่ได้ไปยุงปีกเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะความคนเรา พอเอาข้อจริงๆมันกลัวทั้งนั้นแหละมรณะภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดอันลับพอนะท่านนี้อนุโมทนาให้พอวันนี้พูดถึงมรณะภัยหลวงพ่อพูดถึงมรณะภัยวันนี้คือความตายนะใครๆก็ไม่พึงปรารถนาแต่ต้องได้พบได้เจอแน่นอนทุกคน